เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บำเพ็ญปฏิบัติเนื่องจากที่เราได้ยินได้ฟังในพระปฏิมโอวาทที่ได้ทรงตัดไว้ก่อน จะเสด็จดับขันธะปรรยนิพานไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่แน่นอน จะดับไปจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จึงไม่ควรประมาทควรที่จะรีบสร้างประโยชน์ให้กับตนและให้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาที่จะทำได้ เพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะมีพวกนี้สำหรับเราหรือไม่แม้แต่บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกนี้จะมีให้เราอยู่หรือไม่บริษัทประกันภัยเพียงรับประกันความเสียหายในกรณีที่เราตายไป และเขาก็จะชดใช้เงินก้อนหนึ่งให้แก่ผู้ที่เรากำหนดไว้ให้เป็นผู้รับแต่เรื่องของชีวิตนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ดังนั้นในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความสามารถมีเวลามีปัจจัย พร้อมที่จะบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่ตัวเราและแก่ผู้อื่นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้ผ่านไปจงเห็นความสำคัญของการบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าการกระทาสิ่งอื่นใดทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรที่จะให้คุณ ให้ประโยชน์เท่ากับการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นคุณประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มาแล้วจึงได้นําเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเนื่องจากสัตว์โลกนี้ยังตกอยู่ในความครอบงาของ ความมืดบอดแหง่งโมหะความหลงและอวิชชาความไม่รู้ทำให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบวัวเห็นการแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองการแสวงหาราบยศสรรเสริญการแสวงหาความสุขทางตาทางหูทางลิ้นทางจมูกทางกาย ว่าเป็นงานที่สำคัญแต่หารู้ไม่ว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจของตนเลยมีแต่จะเป็นโทษมากกว่าสร้างความทุกข์สร้างความปวดร้าวความทรมานให้แก่จิตใจมาโดยตลอดอย่างที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้กันเลยทั้งๆ ท, ที่ถูก ความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกิดจากการกระทำของตนเองการกระทำที่ออกมาจากความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวนั่นเองชีวิตของพวกเราจึงไม่ค่อยได้พบกับความสุขที่แท้จริงกันสักเท่าไหร่ นอกจากผู้ที่ฉลาดผู้ที่สามารถมองทะลุความหลงที่ครอบงามจิตใจเข้าไปได้ mm hmm. ก็จะเห็นว่าใจนี้แหลที่เป็นผู้ที่ทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาและผู้ที่จะปลดเปื้องความทุกข์ออกจากใจได้ mm hmm. ก็คือใจนี้เองด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติ ในสิ่งที่ถูกต้องดีงานดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมากันแทนที่ท่านจะสแสวงหาราบยศสระเสริญสุขท่านกับสละท่านกับตัดการสแสวงหาราบยศสระเสริญสุขแทนที่จะยึดติดกับ สิ่งต่างๆในโลกนี้วัตถุเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆท่านก็ตัดท่านก็ละท่านก็ปล่อยวางเพราะท่านรู้ว่าการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่ใช่เป็นของตอนนั้นจะต้องสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่จิตใจ อย่างที่พวกเราทุกทรมานกันกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเราหลงไปยึดไปติดไปคิดว่าสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆจะให้ความสุขกับเรานั่นเองเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เขาจะให้กับเราเราจึงมีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลา มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปเราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างพระอาหารหันตาสาวกที่มีดวงตาที่สว่างที่ได้ทำลายความมืดบอดแห่งโมหะความหลงและอวิชชา ความไม่รู้จริงนี้ออกไปจากจิตจากใจจนเห็นอย่างถูกต้องว่าอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจอะไรที่เป็นโทษเป็นทุกข์กับจิตใจจึงได้ทรงกล่าวไว้ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปว่า จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยการด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี้ก็คือการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงเสียให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัด ความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนและกับผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมนำเอา กับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ประจำพรรษาอยู่ในวัดนี้พระภิกษุสามเณรก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งของต่างๆจากอาหารข้าวหวานต่างๆที่ญาติโยมได้นํามาถวายญาติโยมก็ได้รับประโยชน์ คือได้บุญได้ความสุขใจได้ความสะอาดใจเพราะบุญนี้เป็นการซับฟอกชำระใจที่เปื้อ น, นด้วยความตนหีด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความโลภเวลาได้เสียสละสิ่งที่มีคุณค่า ของตนให้แก่ผู้อื่นเช่นข้าวของเงินทองไปแล้วจิตใจก็ชนะความตนีไปได้ชนะความเห็นแก่ตัวไปได้ชนะความโลภไปได้และในขณะเดียวกันจิตใจก็ได้รับความอิ่มเอิบใจความพอใจความสุขใจและความภูมิใจนี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับกันจากการเสียสละจากการให้ทานแก่ผู้อื่นการให้ทานจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้แต่พระภิกษุสมมเน็สมาณะชีพราหมณ์เท่านั้นให้ใครก็ได้ความสุขนี้เหมือนกันถ้าให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ คือไม่ได้มีความปรารถนาที่จะรับสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ได้รับของจากเราไปเราให้เพื่อประโยชน์ของผู้รับโดยถ่ายเดียวเพื่อให้เขาได้มีความสุขบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำดาลงไปบ้างแต่เรานี้ไม่ปรารถนาอะไร จากผู้รับเลยเพราะถ้าเราปรารถนาและได้รับสิ่งจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้รับอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นการให้ทานเป็นการทําบุญเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นการซื้อขายกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นบุญถ้าเป็นบุญแล้วใจจะต้องบริสุทธิ์ ไม่มีความอยากได้อะไรตอบแทนจากผู้รับเลยยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งมีความอิ่มความพอมากขึ้นไปเท่านั้นและสามารถทำกับบุคคลต่างๆได้ไม่จาเฉพาะจะต้องทำแต่พระภิกษุสัมมเนตรเท่านั้น จริงอยู่ที่คนเรานั้นมีความแตกต่างกันมีบุญบารมีมีความรู้ความสามารถมีความดีความชั่อแตกต่างกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือบางทีเราก็จะได้ยินว่าเวลาทําบุญให้เลือกทํากับคนดี mm. เช่นทํากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้บุญมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเพราะว่าผู้อื่นที่ถึงแม้จะไม่ดีเขาก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเราอยู่เหมือนกันเราจึงไม่ควรมองข้ามผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากถึงแม้ว่าอนิสงส์จะไม่ได้รับเท่ากับ การทำประโยชน์ทาให้ทำบุญกับผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ตาม <c oughs> แต่ความสุขใจความภูมิใจความพอใจนี้จะได้เหมือนกันไม่ว่าจะทำกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือทำกับคนธรรมดาสามัญ หรือแม้แต่ทำกับสัตว์เดรัจฉานใจที่สะอาดโดยสุทธินี้ที่ทำด้วยความเมตตากรุณานี้ก็จะได้บุญคือความสุขใจเท่าๆกันแต่ประโยชน์ที่บุคคลที่เราไปช่วยเหลือหรือให้ทานกับเขานั้นที่เขาจะทำให้กับเรา หรือกับผู้อื่นนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความดีความรู้ความสามารถของแต่ละคนถ้ามีความรู้ความสามารถมีความดีมากก็จะทําประโยชน์ให้กับเราและแก่ผู้อื่นได้มากเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความดีมากมีความรู้มากมีความสามารถมาก ถ้าเราสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ท่านได้มีความมีเครื่องมือที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากและให้กับตัวเราด้วยถ้าเรามีวาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าและได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วเราอาจจะได้สิ่งที่เราไม่คาดฝันก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าจะอ่านใจของเราได้จะรู้ว่าใจของเรายังหลงยังติดอยู่กับอะไรและจะสามารถสอนให้เราชนะความหลงดับความหลงได้ทําให้เราบรรลุอริยมรรคอริยผลขึ้นมาได้อย่างที่ได้ทรงกระทําใน สมัยพระพุทธกาลผู้ที่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตงั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์มีเป็นจำนวนมากนี่คือเรื่องของบุคคลที่เราจะทำบุญด้วย มีความแตกต่างกันถ้าทาบุญกับคนที่ยังเป็นปุถุชนยังมีความมืดบอดอยู่เขาก็จะไม่สามารถสอนให้เราได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือเรื่องของการทาบุญเรื่องของอ น, นิสงส์แห่งการทาบุญที่มีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ สิ่งที่บุคคลที่เราทำบุญด้วยนั้นจะให้อะไรกับเราได้อย่างนี้บุคคลเราเราต้องเลือกบุคคลถ้าเราปรารถนาผลตอบแทนทางด้านการบรรลุมรรคผลนิพพานี้ต้องทำบุญกับพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำกับพระอริยเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมขั้นอริยามรรคอริยผลที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้เราเพียงแต่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้ดูคนไหนที่เขาเดือดร้อน เราก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เราจะได้เพียงความสุขใจอิ่มใจความพอใจได้นชนะความโลภความเห็นแก่ตัวความตณ์อิเท่านั้นแต่เราจะไม่ได้ธรรมะที่สูงกว่านี้ที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การทำบุญให้ทานจึงมีหลายลักษณะด้วยกัน ขึ้นอยู่กับกาละเทศะในบางเวลาเราก็เลือกคนไม่ได้เพราะคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นเขาเดือดร้อนมากเราก็ต้องดูแลเขาไปก่อนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวเช่นบิดามารดาบุตรทิดาญาติสนิทมิตรสหายเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องดูแลกัน ช่วยเหลือกันก็ต้องดูแลกันไปก่อนหลังจากนั้นก็คนที่ห่างไกลออกมาเช่นในบางเวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีไฟไหม้มีน้ำท่วมเราก็ต้องช่วยกันช่วยคนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติล่านี้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ทับขันบังคับ เรามีโอกาสที่จะเลือกคนทำบุญได้เราก็เลือกทำบุญกับคนดีคนที่จะสอนให้เราฉลาดขึ้นสอนให้เรามีความรู้ความสามารถในการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาใจของเราให้มีความทุกข์น้อยลงไปหรือให้หมดไปเราก็เลือกไปวัดกัน ไปหาพระสุปฏิปันโนหาครูบาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริง ท, ที่ฉลาดที่ฉลาดที่จะสอนให้เราได้มีหูตาที่สว่างขึ้นนี่คือเรื่องของทานคือการให้การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราทำไปแล้วใจของเราก็จะมีความเมตตากรุณา คือมีความคิดที่ดีมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความสงสารเห็นผู้อื่นเดือดร้อนก็อยากที่จะช่วยเหลือจะทําให้เราไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราจะทําอะไรเราจะคํานึงเสมอว่าการกระทําของเรานี้ไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ถ้าถ้าใช่ก็จะไม่ทำก็เลยทำให้เรามีศีลขึ้นมาโดยปริยายเพราะศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองพอเรามีศีลแล้วใจของเราก็จะมีความสงบสุข มีความสบายใจเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่หวาดกลัววิตกกังวลถึงผลที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะเห็นคุณของการมีศีลเห็นคุณของการมีความสงบเห็นว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไป สแสวงหาลาภยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็อยากที่จะหาความสุขความสงบนี้ให้มากขึ้นเราก็จะสนใจกับการภาวนาการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการปฏิบัติธรรมการเจริญปัญญาเพราะเรารู้ว่า จะทำให้ใจของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นไปนั่นเองเป็นความสุขที่เงินทองต่างๆข้าวของเงินทองต่างๆไม่สามารถให้แก่เราได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขแบบนี้ได้นอกจากการทําจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมนี้เท่านั้น เราก็จะสนใจและจะปฏิบัติภาวนาให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการที่เราจะสามารถประสบผลสำเร็จในการภาวนาในการทําจิตของเราให้สงบได้ขึ้นอยู่กับ ส, สติถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับใจให้นิ่งได้ เราต้องมีสติและการเจริญสตินี้เราสามารถเจริญในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ต้องไปวัดไปเจริญสติไม่ต้องไปปฏิบัติตามสำนักต่างๆในเวลาที่เราทำอะไรอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับขอให้เรามีสติเฝ้าดูการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลา เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นหรือเรากำลังคิดอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่กับการคิดนั้นถ้าคิดเรื่องร่วยป่วยเราก็ต้องระงับมันอย่าให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้คิดอยู่ให้รู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ เรากำลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินเช่นกำลังก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาอย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอย่าไปคิดถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ ให้อยู่กับการกระทํานั้นๆถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดเราก็อยู่การกระทําต่างๆไว้ก่อนแล้วมีสติอยู่กับความคิดคิดในเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเช่นจะต้องไปทําอะไรในวันนี้ในวันพรุ่งนี้อย่าต้องติดต่อกับใครอย่างนี้ก็คิดเอาไว้ก่อนเพื่อเตรียมตัวเอาไว้พอเรารู้ว่าเรา ต้องทำอะไรแล้วและเตรียมตัวไว้แล้วและเราพร้อมแล้วเราก็หยุดคิดและเราก็กลับมาทำเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ต่อธุระอะไรที่เรากำลังทำอยู่เราก็ทำไปแต่ทำด้วยสติคือต้องตามรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมไม่เช่นนั้นแล้ว ใจจะลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆพอมีอารมณ์อะไรมากระทบก็จะลอยไปกับอารมณ์นั้นมีเรื่องอะไรมาสัมผัสมากระทบก็จะลอยไปกับเรื่องนั้นทั้งๆที่ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามใจก็เลยลอยไปลอยมาใจจะไม่นิ่งเวลาที่จะนั่งสมาธิบังคับให้ใจอยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธก็ดีหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีใจจะไม่อยู่กับนานที่ให้ทำใจก็จะลอยไปลอยมาเหมือนเดิมเพราะไม่มีสติคอยควบคุมคอยดึงเอาไว้นั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลต้องเจริญสติก่อนต้องเจริญสติให้มากใน ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำอะไรขอให้มีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วต่อไปเวลาที่เราไปนั่งสมาธิสตินี้ก็จะเดินใจไว้ให้อยู่กับพุทธโธให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วไม่นานจิตก็จะสงบลงแล้วก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อน เป็นความสุขที่เลิศประเสริฐกว่าความสุขอื่นๆที่เราเคยได้สัมผัสมานังที่สงตรานไว้ว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจสุขอื่นใดในโลกนี้สู้ความสงบของใจไม่ได้เหมือนฟ้ากับดินเลย ผู้ใดได้พบกับความสุขอย่างนี้แล้วจะยินดีที่จะสละความสุขอย่างอื่นไปความสุขจากการได้สัมผัสกับรูปเสียง ก, ง ก, งกงลิ่นรสโผฏฐัพพานี้จะหมดความหมายไปจะมุ่งไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบจะมุ่งทําสมาธิให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความสามารถที่จะเข้า สู่ความสงบนี้ได้ตามความต้องการต่อจากนั้นก็จะต้องเจริญทำขั้นสูงต่อไปคือขั้นปัญญาเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ยังไม่ถาวรจะมีความสุขในขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิแต่พอออกมาแล้วจิตก็จะเริ่มคิดปรุงก็จะเกิดอารมณ์เกิดความทุกข์เกิดความ กังวลเกิดความกลัวขึ้นมาอีกต้องใช้ปัญญาเข้ามาสกัดกำจัดความทุกข์ในขณะที่จิตไม่ได้อยู่ในสมาธิสอนจิตให้ปล่อยวางสอนจิตให้รู้ว่ายึดติดกับอะไรไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอน หรือไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องจากเขาไปอย่างแน่นอนถ้าเราสอนใจว่าอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่กลัวใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบในทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาเวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุขเวลาออกจากสมาธิก็มีปัญญาคอยรักษาใจ ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่แหละคือภารกิจเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราตอนก่อนที่จะทรงเสด็จดับขันธปทันี้ผานไปพวกเราผู้ที่มีศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนและต่อพระอริยสงสากจึงได้น้อมนำเอามาปฏิบัติ ด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอและมาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่จะสามารถทำได้ผลที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้บรรลุถึงเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝาเรื่องของการตั้งอยู่ในความไม่ประมา ด้วยการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์